บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนสืบต่อไปจะได้กล่าวถึงอนุสติคือธรรมะที่บุคคลจะต้องใช้สติตามระลึกเพื่อให้เกิดความสงบเป็นสมาธิในเบื้องตน้นในพุทธานุสติ ที่กล่าวมาแล้วนั้นแต่ระบบสามารถน้อมรำลึกได้เพื่อให้เกิดผลสามประการด้วยกันประการแรกคือความสงบเนื่องจากตั้งสติระลึกประการที่สองคือการพิจารณาในยะของพระพุทธคุณเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาภาษาธะในพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สูงขึ้น ประการที่สคือการน้อมนาเอานิยาของพระพุทธคุณมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นการถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพระพุทธคุณข้อต่อไปคือสัมมาสัมพุทโธ ท, ที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ศัตรูดีศัตรูชอบด้วยประุงเองในชั้นของการระลึกนั้น ท่านแนะให้เริ่มด้วยการสาธยายจากอิติปิโสมาจนจบแต่ว่าเวลาระลึกให้ระลึกเพียงว่าอิติปิโสภกรวาสมาสัมบุตรโธจนจิตใจมีความสงบอยู่กับพระพุทธคุณบทนี้แล้วความสงบ ก, ก็จะเกิดขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกับกรรมฐานข้ออื่นๆนิยะแห่ง พระพุทธคุณบทนี้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องน้อมนำมาพินิษฐพิจารณาเพื่อเสริมสร้างศรัทธาภาษาธะนั้นควรทำความเข้าใจความหมายของคำว่าสัมมาสัมพุทธโธ ท, ที่แปลว่าศัตรูดีสัตรูชอบด้วยปรุงเองในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตอบคำถามของพราหรามผู้หนึ่ง ซึ่งมากราบทูลถามความเป็นอรหันตสตัศมาสัมพุท ธ, ธะของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะด้วยคุณธรรมอะไรบ้างในรับสั่งว่าดูก่อนพรามทำใดที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วทำใดที่ควรละเราได้ละแล้วทำใดที่ควรทำให้แจ้ง เราทำให้แจ้งแล้วทำใดที่ควรกระทําบาเพ็ญให้บังเกิดขึ้นเราได้กระทําให้บังเกิดขึ้นแล้วเหตุนั้นเราจึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะดังนี้จากใจความแห่งพระพุทธดารัสข้อนี้เป็นเครื่องเชี่ย้เห็นถึงการสัตรุของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นการการสัตรุ ทำสี่ประการด้วยกันคือเรื่องที่ควรกำหนดรู้เรื่องที่ควรละเรื่องที่ควรทำให้แจ้งและเรื่องที่ควรเจริญซึ่งได้แก่อริยสัจทั้งสี่ประการข้อนี้ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะจะพบความจริงว่าแม้นยะแห่งประธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงออกไปวิจิตพิสดารอย่างไรก็าตาม แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นเรื่องของธรรม4ประการคือเรื่องของธรรมที่เป็นธรรมชาติธรรมดาโดยสภาวะแล้วเป็นกลางๆไม่เป็นทั้งกุศลและเป็นทั้งอกุศลแต่เป็นอัปยากฤิตคือกลางๆพร้อมจะดีหรือพร้อมจะไม่ดีก็ได้เมื่อมีกุศลหรืออกุศลเข้ามาปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้น ซึ่งได้แก่พวกธรรมชาติต่างๆเช่นพวกขันพวกธาตุพวกอายตนะพวกรูปร่างกายของบุคคลตลอดถึงความแก่ความเจ็บความตายความโสความร่ำไรรังพันเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งธรรมชาติเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยถ้าเมื่อมีเหตุปัจจัยบางเกิดขึ้นใครจะควบคุมบังคับบัญชาขอร้องอย่างไร ก็ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้แต่เมื่อเหตุปัจจัยของความเกิดไม่มีใครจะทำอย่างไรก็ให้เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยปกติธรรมดาของโลกไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วแต่เมื่อพระองค์ได้สัสรูก็ทรงแยกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ ที่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมานั้นก็จากการที่บุคคลไปกำหนดหมายไปยึดถือขึ้นมาเท่านั้นเองเช่นไปยึดถือด้วยอานาจความใคร่ว่านั่นของเรานั่นของเราโน้นของเราใครมีความยึดถือมากเท่าไหร่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความยึดถือก็มากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหากว่ามีความยึดความถือน้อยลงความทุกข์ก็น้อยลง การปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็คือปล่อยวางความยึดถือได้เมื่อไม่มีความยึดความถืออยู่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นก็ไม่มีดังนั้นในส่วนทุกข์สัตว์ที่พระพุทมีพระภาคเจ้าทรงสัจสรู้นั้นเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลําดับคือเริ่มจากการทําจิตให้ส ง, งบเป็นสมาธิ ตามหลักของอานาปานสติกรรมฐานที่กําลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ต่อแต่นั้นพระไทยของพระองค์ก็สงบขึ้นโดยลําดับผ่านชั้นของสมาธิจนได้บรรลุฌานและหลังจากบรรลุฌานแล้วพระไทยของพระองค์อยู่ในสภาพที่ได้รับสั่งแก่โพธิราชกุมารว่าดูก่อนราชกุมาร เรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสมีจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้สิ่งต่างๆและก็ได้น้อมไปรู้ธรรมเหล่านั้นความจัดสรู้ของพระองค์จึงเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นหลังจากประพฤติปฏิบัติผ่านขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วไม่บกพร่อง แต่ว่าทุกข์กริส์นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาบุคคลจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้เนื่องจากเป็นตัวผลเท่านั้นเองจึงทรงแสดงว่าธรรมะกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่บุคคลควรกำหนดรู้เอาไว้เท่านั้นว่าโดยลักษณะเป็นอย่างไรโดยเหตุเกิดเป็นอย่างไรโดยภาวะที่แท้จริงเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้บุคคลสยบติดลุ่มหลงมัวเมา หรือมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตบังเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่จะต้องละนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่กิเลสทั้งมวลจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องละทั้งนั้นดันนั้นกิเลสทั้งหมดที่มีชื่อแตกต่างกันออกไปตามลักษณะอาการของกิเลสเหล่านั้น เช่นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตทำจิตให้ทะเยอทะยานอยากดิ้นรนไปก็เรียกกิเลสเหล่านั้นว่าตันหาเวลากิเลสบางเกิดขึ้นไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ก็เรียกว่าอุปาทานเวลากิเลสผูกมัดรัดรึงใจคนไว้ก็เรียกว่าสังโยชน์หรือว่าเวลาที่กิเลสฉุดกระชากลากจิตใจของบุคคลให เคื่อไหวไปในอารมณ์ต่างๆก็เรียกว่าโยคะเป็นต้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือกลุ่มของสมุทัยนั่นเองในเรื่องของสมุทัยอริยสัจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสมุทัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรละเมื่อได้ละสมุทัยแล้วความทุกข์ซึ่งเป็นผลก็ชื่อว่าสงบระงับดับไป การละสมุทัยก็เป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติดังกล่าวแล้วไม่ใช่เป็นการละแบบคิดโดเองหรือว่าไม่มีเหตุปัจจัยอะไรผูกสมุทัยนั้นทรงเน้นลักษณะของจิตที่ถือว่ายังประกอบด้วยตัณหาว่าเจ้ก่อให้เกิดความ ม, มีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปเช่นอยากได้สิ่งนี้เมื่อได้แล้วก็อยากได้สิ่งนั้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนได้มาก่อน และอยากได้สิ่งอื่นอื่นสืบไปจนถึงก่อเป็นพบเป็นชาติเป็นสังสารวัตรขึ้นมาอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าตัณหายัางชนให้บังเกิดขึ้นทางนี้เมื่อบุคคลละตัณหาจะได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการยุติความเกิดที่ปรากฏขึ้นในรูปแบบต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นเป้าหมายที่บุคคลจะต้องตั้งเอาไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการดังนั้นธรรมะในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจนถึงมรรคผล น, ผนิพพานจึงอยู่ในกลุ่มของนิโรธสัตว์ซึ่งทรงแสดงลักษณะสภาพของนิโรธสัตว์ไว้ว่าได้แก่อาการของจิตที่สำรอกถ่ายถอนตัณหาออกไปได้สละกิเลสตัณหาเหล่านั้นได้สิ้นเชิง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลับมาอีกจิตใจหลุดพ้นจากตัญหาเหล่านั้นโดยไม่กำเริบและไม่มีความอะไรเป็นต้นข้อต่อไปเป็นเรื่องของหลักการที่จะต้องประพฤติปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นด้วยการศัรูเช่นเดียวกันว่าทางมีองค์8ปประการที่เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและมีสมาสมาธิ เป็นประโยชน์นั้นคือหลักการที่บุคคลจะพึงประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติตามองอริยมรรคทั้ง8ประการแล้วกุศลละธรรมทั้งมวลที่มีชื่อเรียกอย่างไรก็ตามนอกจากที่เป็นผลในกลุ่มนิโรธแล้วก็อยู่ในกลุ่มของมรรคทั้ง8ปประการหมดสิ้นดังนั้นเวลาทรงแสดง ปริยายแห่งธรรมะนั้นๆบางคราวจะทรงแสดงในแง่ที่ย่อยออกไปบางคราวจะแสดงในรูปของกลุ่มธรรมะเช่นศีลสมาธิปัญญาซึ่งเมื่อบุคคลปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าปฏิบัติตามองค์อริรมักเมื่อปฏิบัติตามองค์อะเรมักก็ชื่อว่าปฏิบัติตามโพธิปัจจัยธรรม37็เป็นต้นดังนั้น พระยาณเครื่องศัสรูของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บังเกิดขึ้นนั้นเป็นผลโดยตรงจากการที่ทรงปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์8ปประการจนสมบูรณ์เมื่ออริยมรตมีองค์8ปประการที่ทรงปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้วสัมมาญาณะคือความรู้ในทางที่ชอบก็บังเกิดขึ้นแก่พระองค์ในส่วนของอริยสัจ 3พระยานด้วยกันคือพระยานแรกเรียกว่าสัจญาณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือรู้ว่าชาติความเกิดเป็นต้นเป็นทุกข์การมาตานหาเป็นต้นเป็นเหตุเกิดแถงทุกข์การสละตันหาเสด็ได้ที่เรียกว่านิโรดนั้นเป็นความดับทุกข์สมา ธ, ธิเป็นต้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์และพระยานได้เกิดผุดขึ้น ภายในของพระองค์ในข้อต่อไปว่าทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นข้อที่ควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรรคควรเจริญและประยานข้อสุดท้ายที่เรียกว่ากาตยานได้บังเกิดขึ้นว่าทุกที่ควรกําหนดรูรดดรททร้พระองค์ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละพระองค์เลยละแล้ว มรรคที่ควรเจริญพระองค์ก็ได้เจริญแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งพระองค์ก็ได้ทําให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญพระองค์ก็ได้เจริญแล้วดังนั้นการศัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในอริยมรรคสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วแม้พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าอนุพุทธะคือศัจสรุตามพระพุทธเจ้านั้น ก็ได้รู้ธรรมะได้รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าโดยผลของการปฏิบัติตามอริยมรรคทั้งแปดประการเช่นเดียวกันในข้อนี้ได้รับสั่งยืนยันแก่พระภิกษุ ป, ปัญจวคีเป็นต้นว่าถ้าหากพระยาณทั้งสามประการที่เกิดขึ้นในอริสัตสี่ของพระองค์ไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใยแล้วพระองค์จะไม่ปฏิญาณว่า เป็นอรหันตสมาสัมปุท ธ, ธะเพียงนั้นแต่เพราะพระาญาณสามที่เกิดขึ้นในอริยสี่ของพระองค์มีความสมบูรณ์ไม่บกพร่องจึงได้ปฏิญาณว่าเป็นอรหันตสมาสัมปุทธ h และจากการสัจรู้นี้เองทําให้พระาญาณได้บังเกิดขึ้นภายในประทัยของพระองค์สืบต่อไปว่ า, วาการหลุดพ้นนี้ไม่มีการกําเริบ คือไม่มีความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปซึ่งบาลีใช้คำว่าอากุปาเมวิมุตติคำว่าวิมุตตินั้นก็คือสัมมาวิมุตติได้แก่การที่จิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบตามองค์อริยมรรคดังที่ได้กล่าวมาแล้วและเมื่อเป็นความหลุดพ้นที่ไม่กาเริบอีกก็มีพระยานรู้ว่าอยมันติมาญาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนาิดานิปุณโ ภ, โภพบใหม่สำหรับพระองค์ไม่มีอีกต่อไปข้อนี้เป็นการสดแสดงถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้บุคคลประสบความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏว่าตัวการที่สำคัญจริงๆก็คือกิเลส ท, ทั้งหลายนั่นเองเมื่อพระมีพภาคเจ้าทรงบรรลุ อาสวัคยานหรือศัสรูอริยสตรีแล้วอาสวักิเลส ท, ทั้งหลายภายในของพระองค์หมดสิ้นไปเป็นการตัดเทตัดปัดจจัยที่จะต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏชาติของพระองค์จึงเป็นชาติสุดท้ายการอุบัติบังเกิดในภพต่างๆสำหรับพระองค์จึงไม่ได้มีและเงินขายเหล่านี้มีแก่บุคคลทั่วไป ที่ปฏิบัติตามองค์อริยมรรคโดยสมบูรณ์เช่นพระอระหันต์ทั้งหลายเพระาะฉะนั้นญาณที่เกิดขึ้นแค่แก่พระอระหันต์ทั้งหลายก็เป็นไปในทํานองกับเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ถ้าหากว่าปัจจัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงมีอยู่คือกิเลสที่ควรละยังไม่ได้ละมรรคที่ควรประพฤติปฏิบัติ ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติความทุกข์ก็ย่อมจะมีอยู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ยังจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นการเวียนว่ายในสังสารวัฏของบุคคลเหล่านั้นก็ต้องมีอยู่จาบนั้นนยะแห่งพระพุทธคุณข้อนี้ถึงแม้ว่ามีจุดหมายปลายทางสูงสุด อยู่ที่การศัสรูดีศั ส, สรูชอบก็ตามแต่ว่าในชั้นของการน้อมนำมารำลึกถึงแล้วความสงบทางจิตก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นผู้มีสติระลึกอยู่ในพระพุทธคุณบทว่าสมาสัมพุทโธอันเป็นพระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะเดียวกันเมื่อ บุคคลน้อมนำนัยยะของพระพุทธคุณมาพินิษพิจารณาก็จะเห็นว่าผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานั้นไม่ยกเว้นแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องเกิดขึ้นด้วยการประกอบเพจ ต, ตามสมควรแก่ผลที่ตนต้องการผลคือความสงบจิตสงบจากนิวรธรรมจะเกิดขึ้น ก็ด้วยการบําเพ็ญเพียรตามหลักของสมถกรรมาฐานผลคือญาณความรู้ต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติตามอริมัคมีองค์แปดประการให้สมบูรณ์และแม้แต่ผลที่ลดลันลงมาในชีวิตประจำวันก็ต้องเกิดขึ้นจากเหตุเช่นเดียวกันความเข้าถึงเหตุและผล จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของบุคคลในระดับต่างๆเพราะถ้าหากว่าบุคคลมีความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดมาจากเหตุแล้วตามปกติผลที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนการก่อเวรก่อภัยนั้นไม่มีใครพึงปรารถนาเมื่อบุคคลไม่ปรารถนาผลเช่นนั้นก็ต้องหันมาศึกษาเหตุ ที่จะสร้างผลในทางที่ให้เกิดความสุขความเจริญสงบเวีนสงบภัยแก่ตนซึ่งแน่นอนด้เกินว่าเมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วผลก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุในขณะเดียวกันการบวงสวงการอ้อนบอนการขอร้องจากอำนาจภายนอกเพื่อให้โดนบรรดาสิ่งที่ตนต้องการ โดยไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลนั้นก็จะถูกกจัดออกไปเพราะบุคคลมาเข้าใจในเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้วและเหตุกับผลนั้นจะไม่มีความขัดแย้งกันตลอดไปคือเมื่อประกอบเหตุอย่างใดแล้วผลที่เกิดจากเหตุเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับการปลูกพืชเช่นมะพร้าวเป็นต้นผลก็จะต้องออกมาเป็นลูกมะพร้าวเชนั้น และในขั้นของความรู้อริยสัจนั้นอันที่จริงแล้วในระดับต ท, ทั่วไปกฎเกณฑ์ของอริยสัจก็คือกฎเกณฑ์ของการแก้ปัญหาจากจุดย่อยที่สุดจนถึงจุดใหญ่ที่สุดคือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏทุกนั้นเหมือนตัวปัญหาที่ปรากฏขึ้นสมุทัยนั้นเหมือนสาเหตุของปัญหานิโรธ เหมือนความหมดสิ้นปัญหาหรือความดับปัญหามักเหมือนกรรมวิธีในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ขจัดตัวปัญหาเหล่านั้นถ้าหากว่าบุคคลได้ดำเนินไปตามขั้นตอนไม่สับสนไม่มีการผิดฝาผิดตัวแล้วผลก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นในระดับต่างๆไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตาม อย่างในกรณีของการเยียวยารักษาโรคของหมอนั้นทุกก็เปรียบเหมือนอาการของโรคสมุทัยก็เปรียบเหมือนสมุทรฐานของโรคนิโรธก็เหมือนความหายจากโรคมรก็เหมือนกับกรรมวิธีในการเยียวยารักษาโรคแต่เมื่อหมอได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว ย, ยารักษาไปตามที่ได้ ศึกษาตรวจสอบโดยท่องแท้แล้วอยานั้นจะไปทำปฏิกิริยาต่อสมุดฐานของโรคอาการของโรค ก, ก็จะหายไปความปราศจากโรค ก, ก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นและจากสูตรเหล่านี้เองก็นำไปแก้ปัญหาอย่างอื่ น, นในชีวิตของตนได้ยกตัวอย่างเช่นว่าความกรัดกรุ่มวิตกกังวลที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้น บุคคลอาจจะตั้งปัญหาถามว่าอะไรก็จะรู้ว่าความกรัดกลุ่มก็ตั้งปัญหาถามต่อไปว่ามาจากไหนสาเหตุของความกรัดกลุ่มนั้นเนื่องจากตัวความกลัดกลุ่มปรากฏแก่ใจตนสาเหตุก็ต้องอยู่ที่ใจตนจะไปหาสาเหตุที่อื่นไม่ได้เหมือนต้นมะม่วงเหมือนผลมะม่วงเกิดที่ต้นมะม่วงเช่นั้น ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ศึกษาถึงมูลเหตุต่างๆแล้วก็จะพบว่าตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความกดกรุ้มภายในจิตใจนั้นเนื่องจากความไม่ฉลาดในการรับอารมณ์คือรับอารมณ์ที่เป็นค่าศึกแก่จิตใจเข้ามาไว้เช่นคำด่าคำว่าคำดูถูกดูหมิ่นเป็นต้นแล้วเก็บมากดกรุ้มหมักหมุน ในขณะเดียวกันก็ปรุงคิดคิดปรุงให้เรื่องนั้นขยายแพร่หลายออกไปในที่สุดจิตก็หนักเกินไปที่จะแบกสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ก็กลายเป็นความกระดกกุ้มกรรมวิธีในการแก้ไขก็คือการปฏิบัติเพื่อขจัดสิ่งที่เก็บหมักหมมอยู่ภายในใจให้ออกไปแล้วในที่สุดอาการกระดกกลุ้มเหล่านั้นก็จะหายไปเอง ปัญหาสําคัญในทางพระพุทธศาสนาคือการวิเคราะห์มาที่ตัวเองมาตรวจสอบที่ตัวเองไม่ไปพยายามแก้ปัญหาในที่อื่นเพราะตัวปัญหาและอาการของปัญหานั้นได้เกิดขึ้นแก่ตนเมื่อต้องการผลคือความหมดสิ้นปัญหาก็ต้องแก้ที่ตนดังนั้นในชั้นโดยทั่วไป จึงสรงสอนให้บุคคลเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนแล้วก็ตัดสินตนด้วยตนก็ น, นี้พึงเห็นตัวอย่างแม้แต่การทำจิตให้สงบเป็นสมาธินั้นตามหลักการปฏิบัติจริงๆบุคคลจะต้องวิเคราะห์ตัวเองอย่างในกรณีของการนับการภาวนาวพุทโธหรือการใช้กรรมาฐานอย่างอื่นก็ตามจิตสงบหรือไม่สงบ บุคคลจะต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองปัญหาอะไรที่เป็นปัจจัยให้เกิดความไม่สงบในชั้นของปริยัติอาจจะเรียนรู้อาจจะสะดับสับฟังเอาได้แต่ในชั้นของการแก้ไขบุคคลจะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบก็น้อมนาสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองเป็นต้นข้อนี้จะเห็นได้ว่า เมื่อบุคคลได้อาศัยหลักของอริยศัสตร์ทั้งสีประการเป็นแนวในการแก้ไขปัญหาเป็นแนวในการขจัดบันเทาสงบระงับความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นบุคคลก็จะได้สัมผัสผลที่เป็นความสงบความเยือกเย็นภายในจิตใจของตนได้และในชั้นของการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้สัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าด้วยใจของตนนั้นคือการพยายามที่จะดํำเนินไปตามองค์อริยมรรคทั้ง8ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นของชีวิตในชั้นของสังคมนั้นหลักการสาคัญจริงๆอยู่ที่อริยมรรคเพียงสามประการเท่านั้นคือเรื่องสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบ และสมาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบในส่วนของการพัฒนาจิตใจยกระดับจิตของตนให้เหนือกิเลสให้เหนือกระแสของกิเลสเพื่อไม่ให้ถูกกิเลสพัดพาไปก็เป็นเรื่องการดำเนินตามหลักของสมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิแต่ตัวการสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลขึ้นมาในลักษณะนั้น คือการปรับความคิดเห็นของตนให้เป็นสมาธิธคือปัญญาเห็นชอบและความดำริชอบเพราะพฤติกรรมทั้งมวลของบุคคล น, นั้นเป็นการสะท้อนออกมาจากจิตจิตเป็นตัวสั่งการเป็นตัวบงการเป็นตัวกำหนดบทบาทของคนถ้าหากว่าจิตตั้งไว้ในทางที่ถูกต้องแล้วอาการทางกายทางวาจาและแม้ของจิตเองก็จะ เป็นไปในคันลองแข่งธรรมนำความสุขความสงบมาให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นและในชั้นของวิมุตต์คือความหลุดพ้นถึงแม้ว่าจะหลุดพ้นแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้ในปัจจุบันก็ตามแต่อาจจะหลุดพ้นตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าคือหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสได้ชั่วครั้งชั่วคราวเช่นฆ่าความโกรธที่บางเกิดขึ้น พยายามเอาชนะความชั่วของคนอื่นด้วยความดีของตนเป็นตน้นและด้วยการปฏิบัติตามหลักสมถะกรรมฐานที่ปฏิบัติอยู่นี้ในโอกาสหนึ่งก็จะสามารถทาจิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสทั้งหลายด้วยพลังของสมาธิและพลังของฌานซึ่งเป็นการสงบระงับดับกิเลสลงไปได้นานตราบเท่าที่ฌานของตนยังไม่เสื่อม และการก้าวเดินไปโดยนยะนี้ถึงแม้ว่าผลจะไม่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่จะเป็นการสร้างปัจจัยเพิ่มพูนบา ร, รมีของตนให้สูงขึ้นเป็นการปฏิบัติตนให้ใกล้ต่อพระนิพพานในทางพระพุทธศาสนายิ่งขึ้ขนไปต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป